ปาราชิกสิกขาบทที่8ถามเพราะธรรมวัตถุครบทั้งแปดประการเป็นปัจจัยต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบเพราะธรรมวัตถุครบทั้งแปดประการเป็นปัจจัยต้องอาบัตสอย่างคือหนึ่งภิกษุณีที่ชายสั่งว่าจงมายังที่ชื่อนี้แล้วเดินไป ต้องอาบัตทุกกฏ 2. พอย่างเข้าสู่ช่วงแขนของชายต้องอาบัตทุนละใจ 3. ามทำวัตถุครบทั้ง8ประการต้องอาบัตปาราชิกเพราะทำวัตถุครบทั้ง8ประการเป็นปัจจัยต้องอาบัตสาอย่างเหล่านี้ปาราชิก8ปสิกขาบทจบ